ตอนที่เจ็ดมหาสติปัฐานสีทุกคนก็ผ่านทางโลกมาหมดแล้วลัพะพวกครูไม่ต้องพูดนะเพราะทุกคนก็ผ่านมาหมดแล้วเราเบื่อไงเราถึงหนีมาเราถึงถอยมาใช้คำว่าหนีก็ไม่ถูกนะเราถอยมาตั้งหลักเพื่อเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ชีวิตต้องสู้ในทางโลกก็สอนเราคือสู้ตาย สู้จนวันตายสู้ตายสู้เพื่อสร้างวัตถุภายนอกแต่ในทางธรรมเนะี่ยชีวิตต้องสู้มาสู้กับกิเลสตัณหาอุปทานของเรามันจะเป็นสู้กับใครที่ไหนนะเรายอมแพ้คนเพื่อชนะกิเลสดีกว่าแพ้กิเลสเพื่อชนะคนนะทางผลทุก์ต้องต้องชนะกิเลสทีนี้วิธีชนะกิเลสเนี่ยไม่ใช่เอาปืนไปฆ่ามัน ไม่ใช่อาวุธนิวเคลียร์ไปยิงมันไม่ใช่เอาระเบิดไปบอมมันนะไม่มีใครสามารถฆ่ากิเลสได้นะไม่ละเว้นแม้กระทั่งเจ้าชายศิริษฐาหรือพระปุจเจ้านะกิเลสต้องอยู่คู่โลกคู่จักรวาลถ้าไม่มีกิเลสเนี่ยพระอรหันเกิดขึ้นไม่ได้นะวิธีชนะกิเลสต้องมีสติมีปัญญารู้เท่าทันกิเลสไม่เอาอาหารให้มันกิน กิเลสเขาต้องมีหน้าที่สอบเราประเมินเราอถ้าเราพลาดพลังไปทําตามเขาปุ๊บเขาก็ตีหัวปกทีหนึ่งเขาก็ลงโทษเราเป็นหน้าที่ที่ซื่อสัตย์มากเรามีหน้าที่รู้เท่าทันเขานะเขาก็ทําหน้าที่มาหลอกล่อเรามามันก็หลอกล่อเราเนี่ยนะถ้าเรามีสติมีปัญญาแล้วเราก็ไม่หลงทางมันนะมันหลอกล่อเราปุ๊บเออเราสอบผ่านนะเราไม่หลงปุ๊บมันก็ผ่านไป นะวิธีชนะกิเลสไม่ใช่ไปฆ่ากิเลสไปฆ่ากิเลสฆ่ามันฆ่ามันนะนะคิดว่าฆ่านี้ก็ผิดศีลแล้วนะกิเลสฆ่าไม่ได้นะต้องรักมันเยอะๆต้องเมตตากิเลสมนันนะเมตตาทำคำจุนโลกนะต้องเมตตาเขาเยอะๆแล้วก็รู้เท่าทัานเขานะเขามีหน้าที่สอบเราอย่าไปโกรธเขานะแล้วก็ มีสติปัญญาเท่านั้นนะ่ะ ท, ที่จะผ่านเขาได้นะทุกวันนี้เนี่ยเราถูกใส่โปรแก ร, รมภาษาคล้ายๆว่าไปไปเกลียดชังมันนะออชอบแต่สิ่งดีๆสิ่งไม่ดีไม่ชอบอะไรแบบนี้นะมันเป็นของสุดโต่งนะให้อยู่กับตัวเองเยอะๆนะมองเข้าไปข้างในอยากก้าวหน้าต้องถอยหลัง ในทางโลกอยากก้าวหน้าต้องไปข้างหน้านะเดินทางไปกรุงเทพไปโยโตโกเกียวไปนะิวยอร์กแต่ทางธรรมคือมั้ทางเดินเพื่อสู่การพ้นทุกข์โดยยึดหลักสติปันสีนะกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเห็นไหมพระพุทธองค์สอนให้เราเข้าไปข้างใน เริ่มจากกายก่อนเทวดาไม่มีกายเทวดาทําไม่ได้เริ่มจากเรามีกายแล้วเนี่ยไม่ใช่อยู่กับกายไม่ใช่มาติดใจกายกายภาพนี่มันยังเป็นแค่สมมุติร่างกายนี่สมมุติเป้าหมายของสติปัฏฐานสีิคือเข้าไปในจิตในจิตเข้าไปในธรรมในธรรมไม่ใช่อยู่ที่อดียบทกายข้างนอกแต่เราต้องมีกายเนี่ยมันถึงจะเกิดเวทนาได้เวทนากเกิดขึ้นที่ใจใจนี้ก็เป็นกายส่วนหนึ่ง นะตาหูจมูกลิ้นกายใจอยัยะทั้งหกนี่เป็นกายนะกายในกายนะได้ยินเสียงที่หูมารู้ที่ใจนะนะกายข้างนอกมีห้าอย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายข้างในมีหัวใจตัวรับอารมณ์ยังอยู่ในส่วนของกายแต่ว่าเวทนามันเกิดขึ้นที่ใจนะเราก็เริ่มจากกายเนี่ยวิ่งเข้าไปที่เวทนา ก็ดึงมันดึงก็ดึงนมาเกิดแรงเหวี่ยงขึ้นเข้าไปในจิตในจิตเข้าไปในจิตในจิตจิตปัจจุบันเนี่ยเรียนรู้กับจิตในอดีตจิตสํานึกเข้าไปจิตใต้สํานึกเข้าไปทําในธทมเข้าไปในโปรแกรมเว็บไซต์ของจิตทําในทำนั้นคือจิตไรสํานึกตรงนั้นอยู่เหนือสมุตรบัญญัติทั้งปวง มันเป็นอารมณ์ธรรมลมในอดีตที่เราสะสมมาหลายพบหลายชาติผู้เจ้าใช้หลักสติปฐานสี่เพื่อให้เราเข้าไปข้างในไม่ใช่มาฝึกสติไม่ใช่เอาฐานกายฐานเวทนามาฝึกสตินะมันเป็นบันไดเครื่องมือในการเข้าไปข้างในแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราเอามาเจริญสตินะเอามาฝึกสมาธิ ที่บอกพระครูบอกว่าเราหลงป่าแล้วไม่เดินออกจากป่ามดจะไปฝึกอยู่ตรงนั้นแหละมันจะออกปากเราหลงในป่าวัดตะสงสารมาหลายภพหลายชาติแล้วสมาธิชอบสติชอบความเพียรชอบพระครูจะเอาจากข้างหลังขึ้นมาตามตัวหนังสือจริงๆแล้วมันต้องเริ่มจากสมาธินะแล้วก็สติชอบความเพียรชอบการกระทําชอบนะอาชีพชอบอันนี้เกี่ยวกับเรื่องข้างนอก ส่วนข้างในแล้วก็เดินเข้าไปอาศัยฐานกายเข้าไปสู่ฐานเวทนานะสร้างแรงเหวี่ยงขึ้นระหว่างสองส่วนนี้ระหว่างข้างนอกข้างในมันดึงแล้วก็เมื่อแรงเหวี่ยงมันมากเต็มที่แล้วเนี่ยเรียงแรงเหวี่ยงเนี่ย s p i น n i n g ภาษาอังกฤษนะแรงเหวี่ยงนี่ทําลายสนามแม่เหล็กนะอย่างเฮลิคอปเตอร์เราเหวี่ยงใหม่ๆเนี่ยถ้าเหวี่ยงไม่แรงนี่มันจะห่อไม่ได้แรงเหวเี่ยงนั่นมันไ ม, นมน่มันสู้แรงดึงดูดของ ของโลกไม่ได้สนามแม่เหล็กไม่ได้เมื่อเราเวียงแรงขึ้นปุ๊บเนี่ยเมื่อแรงเวียงนี่มันมากกว่าแรงดึงดูดมันก็ห่อได้เราก็มาสร้างแรงเวียงเนี่ยปลดปล่อยให้มโนวิญญาณที่มันเกาะอยู่ที่ใจเนี่ยมันถูกแรงดึงดูดของอารมณ์ที่ใจเนี่ยดึงไว้ตลอดชีวิตจนแยกไม่ออกก็เรียกว่าจิตใจจิตใจเร า, าปลดปล่อยไอ้ตัวจิตตัวนี้เพราะจิตเป็นตัวหลุดพน้น ไม่ใช่กายภาพเป็นทวหลุดพลนเราก็มาปลดปล่อยให้เขาออกจากใจก่อนนะโดยใช้อุบายเอาฐานกายกับฐานใจสุเวธนาตรงนี้เนี่ยมันดึงกันระหว่างสองส่วนเกิดแรงเหวี่ยงขึ้นก็สลัดเข้าไปสู่จิตในจิตเข้าไปสู่พิพิยากายนะอายตนะทั้งหกนี่คือสลีลากายหัวใจก็เป็นสลีลากายสมองเป็นสลีลากาย แรงดึงดูดของสมองความคิดอารมณ์อยากคิดใจนะเมื่อสร้างแรงเหวี่ยงเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็อิสระเข้าไปสู่จิตในจิตเข้าไปสู่ทิพยกพย า, ายเข้าไปทำไมเข้าไปขัดเกาจิตให้ผ่องใสเข้าไปขัดเกาจิตให้ผ่องใสทุกวันนี้เราฝึกสติฝึกสมาธินะได้แค่สติได้จินต่มยปัญญาบ้างคิดเัาเองจินตนาการคาดคะเน นะตามประสบการณ์ของตัวเองมันเป็นแค่จินต่างมยาปัญญาภาวนามยาปัญญาเนี่ยต้องโดดเข้าไปไปลิ้มรสธรรมในธรรมธรรมอารมต่างๆที่มันสะสมมาหลายภพหลายชาติเราเข้าไปโดดลงไปในน้ำเลยมันรู้ว่ามันเร็วแค่ไหนน้ำมันแรงแค่ไหนมันร้อนมันเย็นแค่ไหนไปเสกธรรมในธรรมไม่ใช่ไปเพ่งพิจารณาทุกคนนี้ไปดูจิตดูจิตดูจิต ดูจิตมันก็ลึกกว่าดูเวทนาดูกายเท่านั้นเองไปขั้นไปดูจิตอเห็นจิตมันเปื่อนมันก็ยังเปื้อนอยู่โดดเข้าไปะไปลิ้มรสมันแล้วก็เหวี่ยงทิ้งเหวี่ยงมันออกมาทางกายภาพอีกกลายเป็นกายเวทนาจิตธรรมกายเปิดกายเวทนาจิตธรรมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นมหาสติปัฏฐานทุกวันนี้เราเป็น ไปคุ้นเคยกับวิธีเรียนแบบวิทยาศาสตร์แยกขแขนงเรียนแบ่งเป็นชั้นๆอนุบาลประถมมัธยมต้นมัธยมปลายคุดมศึกษาปิญญาตีโทเอกแล้วก็แยกเป็นขแขนงวิชาอันนั้นวิชาแตว่วิชาชอช้างสองตัวนั้นไม่ใช่แค่ว่ารู้อริยสัจสีรู้ปฏิสมุติบาทรู้กฎแห่งกรรมนะ อย่างนี้ระเรียนก้าวหลายคนด็อกเตอร์ทางาศาสนาหลายคนก็บรรลุทำเป็นแลหรู้หมดไม่ใช่รู้แบบนั้นอันนั้นรู้แบบวิชาชอช้างตัวเดียวถ้าวิชาชอท้งสองตัวไม่ใช่รู้นะต้องเข้าถึงอริยสัจสี่เข้าถึงปฏิสมุทบาทเข้าถึงเข้าถึงเข้าถึงรู้วิธีเข้าไปถึงข้างในเข้าไปถึงมรรคจิตจิตเดิมแท้เป็นประพัดสอน มันเป็นมักโดยธรรมชาติของมันเมื่อเข้าไปในนั้นแล้วเนี่ยมักมักคจิเนี่ยมันแสดงตัวแล้วเนี่ยต่อไปชีวิตเราที่เหลือเนี่ยเป็นมักหมดเลยมันเป็นมักเองอินไซเอานะให้แม่นแม่นให้รู้ขบวนการที่เราทำอยู่มหมือั้นเดี๋ยวมานผู้หวังดีเ็บอกว่าเฮ้ยมึงบ้าหรือเปล่าไม่มีสติมาร้องไห้หัวเลาะเต้นลําทำเพลงตีลังกาเหมือนดิงเหมือนหมาอะไรเนี่ยนะ เขาไม่มีวันเข้าใจนะเขาไม่มีวันเข้าใจนะเราต้องเข้าไปในจิตนะไปลิ้มรสมันนะเข้าไปเสพอารมณ์ธรรมในธรรมแล้วแรงเหวี่ยงที่เรามีนี่เหมือนเรามีรถยนต์เห็นไหมเราเดินหน้าก็ได้เราถอยหลังก็ได้เราเข้าไปได้แล้วก็ออกมาได้แต่ทุกวันนี้ความอยากของเราเนี่ย เราอยากให้เขาเข้าไปเร็วๆแล้วก็ใช้อุบายวิธีในอัดอัดอัดอัดมันเข้าไปมันเข้าไปปึ๊บมันออกมาไม่เป็นมันก็หลงอารมณอยู่ตรงนั้นน่ะะปล่อยไปตามธรรมชาติเขาจะช้าเขาจะเร็วช่างเขาปล่อยเขาเข้าไปตามธรรมชาติเมื่อเข้าไปได้อะแล้วเขาก็ออกมาได้แต่ทุกวันนี้เราแฝงด้วยความอยากแล้วไปคิดแบบหมวดวิชาไปสร้างอริยบทขึ้นมา ต้องทำท่านั้นท่านี้หนึ่งร้อยคนหนึ่งพันคนนั่งอยู่ที่นี่ท่าเดียวกันหมดเลยไปสร้างหมวดวิชาขึ้นมาอีกเพราะความอยากเราไม่เข้าใจจิตนานาจิตตังมันต้องไม่เหมือนกันอะไรที่มนุษย์สร้างขึ้นมันเป็นวิชาชอช้างตัวเดียวนะส่วนมากเกิดจากความอยากฉะนั้นล่ะอยากตั้งรัฐที่ใหม่ อยากเป็นครูบาอาจารย์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตถ้าตัวเองยังเข้าไม่ถึงธรรมยังไม่เห็นธรรมแล้วเนี่ยอย่าไปเสี่ยงตัวเองหลงไม่พอเนี่ยยังไปชี้ทางผิดให้คนอื่นด้วยเนี่ยอันตรายมากนะเราไปขโมยเงินเขาเขาเสียเงินนะขโมยนาฬิกาเขาเสียนาฬิกานะ แต่เราไปชี้ทางให้เขาหลงทางเนี่ยเขาเสียชีวิตเสียชาติเกิดทั้งชาติเนี่ยนรกอยู่แใกล้ความอยากของคนทุกวันนี้มันเยอะนะเละไปหมดเลยศาสนาไม่รู้จะไปทางไหนแ ล, ล้วเละไปหมดเขาครู อ, อยู่ที่นี่นิ่งๆมาตลอดนิ่งมา20ปี ออกไปตะเวนอยู่บ้างเฮ้ยมันยังไม่ใช่ก็กลับมานิ่งๆอย่าไปฟืนอย่าไปอยากนะถ้าเราไปตั้งทฤ ษ, ษฎีใหม่ขึ้นมาตั้งรูปแบบขึ้นมาเนี่ยมันเป็นลัทธิมันไม่ใช่ธรรมะพวกครูก็พูดเองว่าธรรมะไม่มีธรรมะไอ้ที่ไม่มีธรรมะนั่นแหละธรรมะ แต่ปัจจุบันมันถ่ายทอดไม่มีธรรมะแล้วมันจะมีธรรมะได้อย่างไรมันมีของเธอของฉันมีรูปแบบชูธงตั้งยี่ห้อแตบบางคนมันพูดเหมือนว่าพรอครูห่วงยี่ห้อที่นี่นะที่นี่ไม่มียี่ห้อแต่อย่าไปตั้งยี่ห้อให้มันไม่มีอะไรต้องห่วงธรรมะมันไม่มีธรรมะไม่มีอะไรจะห่วงไงเราแจกฟรีมาตลอดยี่สิบปี ความอยากของเราบางทีเนี่ยไปปรุงแต่งอ้างโน่นอ้างนี่แล้วไปชี้ทางให้คนอื่นเขาหลงทางไปหมดเนี่ยอันตรายมากนะที่พ่อครูเน้นเยอะๆให้พวกเราเข้าใจว่าเรากําลังทําอะไรบ้าๆบอๆอยู่เนี่ยใช่ไหมจริงๆนะเรากำลังทําอะไรบ้าๆบอๆเนี่ยะแต่ในทางโลกฟังเฮ้ยมาทําบ้าๆบอๆแล้วก็กลายเป็นคนบ้าอยู่จริงๆเราบ้าตั้งแต่วันที่เราเกิดแล้วเกิดมาวันแรกก็แหกปากร้องแล้วมันหลงมาเกิดมันบ้าแล้ว เรากำลังมาเอาความบ้าออกแล้วมันจะหายบ้าไม่ใช่ไปกดความบ้าไว้นะไปเรียนรู้วิชานวนวิชานี่นะแล้วก็เป็นหลงติดที่รูปแบบ อ, อย่างนั้นอย่างนี้ตัวเองเนี่ยไปหลงบ่วงอยู่ที่ลทัทธิมองไม่ออกแล้วไปหาว่าคนอื่นลัทธิอะไรที่นี่ลัทธิอะไรใช่ไหมลัทธิเหวี่ยงทิ้งก็แล้วกันลัทธิเหวี่ยงทิง้ง ไอตัวเบี่ยงทิ้งคำนี้คำเดียวเนี่ยในตัวมันเองก็เบี่ยงตัวมันทิ้งไม่มีความหมายอะไรคือเบี่ยงทิ้งไม่ต้องไปตั้งโจดตั้งทงว่ามันเป็นอะไรเนี่ยคือธรรมะไม่มีธรรมะอย่าไปหาอะไรใหม่ไม่ต้องไปหาอะไรมาเพิ่มนะนะที่เราทุกข์เพราะเรามีอยู่เบี่ยงมันทิ้งหมดเมื่อมันหมดแล้ว ตัวเราก็ฆ่ามันทิ้งสเส้าเบียงมันทิ้งเมื่อตัวเราไม่มีแล้วใครจะเป็นคนทุกข์ล่ะตอนนี้เราไปติดบ่วงว่าเฮ้ยเธอมีอวิชชาคือเธอมีความไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้ปฏิสบุตรบาศไม่รู้กดแห่งกรรมมันไปแปลอวิชชาผิดว่ามันไม่มีไงก็ไปเรียนให้มันมีใหญ่เลยเรียนจนจบด็อกเตอร์ทางพุทธศาสนาเต็มเลยก็ยังไปนั่งทะเลาะกันอยู่ว่า น, นิพผ่านเป็นอัตาาตาอณตาอยูนี่นี่คือความเข้าใจภาษาผิด เข้าใจคำสอนพุทธองค์ผิดอาวิชามันคือความรู้ผิดไม่ใช่แปลว่ามันไม่รู้มันรู้จนแน่นเอียดเลยจนอัตตาตัวตนเยอะมากรู้ว่าข้านี่เป็นด็อกเตอร์ข้านี่รเรียนเก้าข้านี่เป็นประธานข้านี่เป็นคนเก่งนี่มันรู้ผิดไงมันก็แบกไอ้ไอ้ไอ้อีโก้ไอ้ไอ้ตัวตนตรงนี้นะสิ่งที่เราต้องทำวิชาให้อชอช้างสองตัวเนี่ยนะ เราต้องรู้อริยสัจสี่คือรู้อะไรรู้ว่าที่มาของทุกข์คือตัวส ม, มุทยัยไอตัวรู้ผิดนี่ทําให้เกิดมันเป็นกิเลสไงทําให้เกิดตัณหาตัณหาทําให้เกิดอุปาทานอุปทานทําให้เกิดทุกข์เห็นไหมเพราะมันมีความรู้ผิดอวิชชามีความรู้ผิดมันมีกิเลสรู้ผิดเนี่ยมันได้เกิดตัณหาเกิดส ม, มุทัยขึ้นทีนี้วิธีกําจัดมันไม่ใช่ไปเอาความรู้ใหม่เข้ามา รูวิธีเบี่ยงมันทิ้งมันเราเททิ้งไม่ได้เพราะมันหนักใช่ไหมมันแบกมาหลายปีแล้วหลายชาติด้วยนะเราไม่มีกําลังจะเบี่ยงมันทิ้งไงไม่มีกําลังคว่ำแก้วใช่ไหมเราก็เบี่ยงทิ้งทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเมื่อไหร่ที่เบี่ยงทิ้งด้วยพลังเบี่ยงมันก็มากขึ้นมันออกกําลังกายยิ่งออกก็ยิ่งแข็งแรงยิ่งออกก็ยิ่งแข็งแรงตัวนี้ก็เบาลงเบาลงถึงวันไหนปุ๊บเราจับมันคว่ำแก้วเลยอวิชชาก็ออกไปความว่างก็เกิดขึ้น มันว่างอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติของมันแต่เราไปสร้างความรู้ผิดขึ้นมาเห็นไหมไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจภาษาผิดเพราะครูถึงบอกว่าภาษาเนี่ยบ่งบอกนิสัยภาษาบ่งบอกนิสัยเราไปหลงในความรู้ซึ่งเป็นภาษาของเรานะ ไอ้ภาษาตรงนั้นมันแฝงด้วยกิเลสตัณหาอุปทานนะความรู้อะไรกระชั่งที่ทำให้เราทุกข์นั่นคือความรู้ผิดปัญญาไม่ได้ไปว่ารู้มากรู้แจ้งเห็นจริงรู้ว่ามันหนักก็วางมันก็เบาไงแต่ที่นี่เราไปรู้ผิดว่า อวิชชาคือเธอว่างเธอไม่มีเธอไม่มีความรู้เลยเธอโง่นะอวิชชาคือความไม่รู้คือความโง่เราเลยกลัวโง่กันใหญ่เลยเลยไปเรียนความรู้ใส่เข้าไปเต็มเลยนะจนจบเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์เป็นป ร, ริญญาเก้านี่หัวโตเต็มเลยไปไหนแบกไปด้วยพอเขาแตะต้องนิดนึงเขาว่าไอไอโง่เนี่ยโอ้ยโกรธมากเลยเธอว่าโง่ได้ยังไงนะฉันรู้ฉันเป็นผู้รู้เห็นไหมถ้ารู้จริงๆมันไม่ทุกข์กันนะ เขาด่าก็ต้องไม่โกรธเนี่ยแสดงว่ามันรู้ผิดความรู้ใดที่ทําให้เราทุกข์นั่นคือความรู้ผิดไม่ได้แปลว่าความไม่รู้นะนี่แหละคําตอบว่าทําไมเราต้องมานั่งเบี่ยงทิ้งเบี่ยงทิ้งมาขัดเกลาจิตให้ผ่องใสต้องตอบตัวเองให้ได้นะต้องมั่นคงนะไม่งั้นเดี๋ยวกิเลสภายในเองมันจะหลอกตัวเองให้ใช่หรือเปล่าให้ใช่ไหมนะฮและกิเลสภายนอกผู้หวังดีก็จะบอกว่าเฮ้ยโชคเธอบ้าหรือเปล่า เขาไม่เชื่อหรอกว่าผู้ทีเจ้าอยู่ใต้ต้นโพเนี่ยมานั่งจิ้งไปจิ้งมาลําวงฟ้อนลังอย่างนี้เขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อพ่ะครูก็ไม่เชื่อนะเพราะพระครูไม่เคยเห็นไงอย่าพึ่งตอบว่าเชื่อหรือไม่เชื่อพ่ะครูก็ไม่เชื่อเราเลยมาลองทำดูไงนะอันนี้ไปคาดคะเนเองว่าแล้วคุณคุณคุณรู้หรือเปล่าผู้เจ้าทำยังไงนะ คุณก็ไม่เคยเห็นจริงๆคุณก็ไปได้ฟังเข้ามาไปอ่านหนังสืออะไรเนี่ยนะถ้าเกิดเราผู้เจ้าต้องบรรลุวิธีนั้นอย่างเดียวชั่ววันนั่งเอาแบบนั่งเฉยๆนิ่งๆเนะี่ยพระองค์ก็สอนเรื่องเดียวเลยให้มันจบๆไปยกตัวอย่างทำไมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมาขันให้มันวุ่นวายสี 40, 000, ่สิบกรรมฐานให้มันหนักทําไมก็สอนอย่างเดียวก็จบเพราะพระองค์รู้ว่านานาจิตต์ตั้งแม้กระทั่งพระลาหุ่นเองพระองค์ก็บอกให้พระ ภาษาลิบุตรเนี่ยก็เป็นพระพี่เลี้ยงนั่นแหละก็สอนอานาปณะสติมันเจริญไม่ได้เพราะตอนนั้นกาลังเป็นหนุ่มเลือดหนุ่มกาลังเยอะไปวินธาบาทแล้วก็ไอ้อายาตนะเริ่มทำงานละ ป, ปิ้งปิ้งปังปังแหละเออสวยๆงามๆแหะมันไม่นิ่งเพราะองค์จึงให้พระราหุนพิรนาอายาตนะให้รู้เท่าทันสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยิน อา้าวทำไมไม่พิจารณาทำไมไม่ไม่ไมจเจริญอาณาประเทสสี่อย่างเดียวเหมือนพระ อ, องค์นะ่นะก็มันไม่เหมือนกันไงเรามาเรียนวิชาพุทธศาสนาแบบซื่อบือ้อไปเรียนเคสี่ ม, มาก็ต้องอย่างนี้เท่านั้นต้องอย่างนี้เท่านั้นไม่มีศาสนาพุทธสอนให้เราไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มเลยนะ กำจัดสิ่งที่มันมีอยู่ให้มันหมดไปเห็นไหมแต่ไม่ต้องในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรเลยนะมันเต้วนก็ชั่งมันฉันวางแล้วไงฉันเป็นหนี้โอ๊ยฉันลืมแล้ววางแล้วเธออย่ามาทวงนะไอ้เจ้ากรรมนายเวรมึงโปรตออกไปไกลๆข้าวางแล้วเนี่ยคําว่าไม่ต้องก็ต้องระวังนะคือไม่ต้องไปสแสวงหาอะไรของใหม่เลย ผู้เจ้าท่านบอกว่าต้องขัดเก่าจิตให้ผ่องใสไงใช่ไหมส่วนการการให้ทานเนี่ยเหมือนมีการกระทํานะแต่ไม่ใช่ไปหาของใหม่นะคือสลัดของเก่าทิ้งไงเห็นไหมไม่ได้ต้องแบ่งไม่ได้ใชของใหม่นะมิจะเอาของเก่าทิ้งนะและศีลเนี่ยก็คือว่าป้องกันไม่ไปต้องอย่าไปสร้างกรรมใหม่ไงเห็นไหม แค่ไม่ต้องสร้างกรรมใหม่นะเล่าของเก่าทิ้งไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าไปในจิตนะเนี่ยนี่สารามันสะอาดนี่เพราะอะไรไม่ชีหนูถูเอาถูเอาให้มันไม่ใช่ไม่ต้องก็หมายว่าออช่างมันเปื่อนก็ช่างมันชั้นวางแล้วนะเธอต้องแกล้งรู้ว่ามันไม่เปื้อนนะต้องระวังภาษาเนี่ยมันจะเป็นบว่วนงะคือไม่ต้องไปทำอะไรใหม่ไม่ต้องไปสแสวงหาอะไรเลย ขัดเกาจิตให้ผ่องใสที่มันเปื้อนแล้วเนี่ยขัดไปเรื่อยๆขัดไปเรื่อย ๆ, ๆเมื่อเข้าไปถึงจิตเดิมของมันเนี่ยมันมีจิตเดิมกับจิตเดิมแท้นะจิตเดิมแท้เป็นประพัฒนสอนมันเป็นประพัฒสอนอยู่แล้วแต่พอเราเข้าไปนี้เนี่ยจิตเดิมเราหลายๆภาคเนี่ยมันก็ออกมาทีละโปรแกรมโปรแกรมแล้วก็เรียนรู้มันใช้นี้กับมันแล้วก็เหวี่ยงทิ้งเหี่ยงทิ้งผ่านไปเรื่อยๆ นะจนเมื่อไรที่เราเข้าไปถึงจิตเดิมแท้ของเราแล้วเนี่ยตอนนั้นมรรคจิตเกิดขึ้นนะไม่มีอะไรที่จะต้องไปไปทําอีกแล้วมันเป็นมรรคด้วยตัวมันเองนะให้เข้าใจทุกวันนี้ไม่ใช่เราอยากรู้เราไปเรียนรู้เยอะๆไปเรียนรู้วิธีนั้นไปเรียนรู้วิธีนี้ไปฝึกวิธีโ น, น้นฝึกวิธีนี้ไปอ่านมาเยอะๆมารู้มากแล้วเอาความจํามาพูดกัน นะเป็นเรียนเยอะๆแล้วก็เอาเอาความรู้นั้นเน่ยมาปรุงแต่งเข้าไปจนจิ ต, ตัวมันเองก็เพื่อนมากมายอยู่แล้วยังไปเอาความรู้เพืเ่อนๆตัวนี้มาใส่เข้าไปปรุงแต่งเข้าไปไปใส่ปีให้มันไปใส่ขาให้มันไปใส่สีให้มันปรุงแต่งไปกลายเป็นลทัทธินิ่กายเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดกนะ็ทุกวันนี้บางทีญาติธรรมรุ่นเก่าๆเนี่ยบางทีพ่อครูก็ คือเราพ่อคูไม่มีอะไรหรอกไม่ได้มีอะไรก็คุยกันแบบธรรมดาเนี่ ย, ยก็มีถานนะพวอครูทุกวันนี้ถือสินเท่าไหร่เราไปมองสินนั่นเป็นตัวเป็นตนมีสินห้าสินแปดสินสิบสินปฏิโมกสินสองร้อยกว่าอะไรนะเราไปมองสินเป็นแบบนั้น เนะพราะครูว่าถ้าสินแบบนั้นพราะครูเวียงทิ้งตั้งนานแล้วมันหนักไม่โง่ที่จะไปแบกมันไว้มันถี่ตกใจนะคนไม่มีสินมันแสดงธรรมนะทุกวันนี้มือถือศาสตรปากถือสินเยอะมากเลยสินแบบนั้นแบกแบกลุดลุดเนะพระครูมันไม่แบกแล้วมันหนักเวียงทิ้งหมดแล้วแต่แน่นอนที่สุดจิตมันไม่โง่ที่จะไปทําความชั่วมันไม่ต้องอาศัยสินเหล่านั้นสินแบบนั้น มันเป็นศีลซึ่งมีอยู่แล้วของจิตมันเป็นศีลแล้วนะจริงๆเราเราถือศีล น, นั่นเพื่อเป็นเป็นตัวบังคับไม่ให้เราไปเหมือนเรามีกฎหมายนั่นแหละไม่ให้เราไปทำชั่วไม่ให้เราไปทำอะไรนะี่มันเป็นตัวเตือนสตินะอันนั้นคือศีลข้อบังคับแต่ศีลจริงๆแล้วเนี่ย ที่ว่าจิตเดิมแท้เป็นประพัดสอนความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตเดิมแท้นั่นแหละคือสินบริสุทธิ์คือความปกติของจิตมันไม่เกลือกลื่ด้วยความอยากเมื่อไ ม, ม่มันไม่มีตัวสมูทยแล้วเนี่ยมันจะไปทําชั่วได้อย่างไรเขาไม่ทําอยู่แล้วคนเราทําชั่วเพราะมันมีความอยากพอมันอยากปุ๊บมันก็ไปคิดคิดปรุงแต่งปุ๊บคิดนี่ปุ๊บส่งออกแล้วนะหมายถึงว่า จิตเราเผลอไปคิดกับมันเนี่ยจิตส่งออกปุ๊เนี่เป็นตัวสมูทายเห็นดิถ้าเรายังมีเชื้ออยากอยู่มันก็เผลอคิดคิดคิดไปก็มีถูกมีผิดละวาดฝันวาดโน่นวาดนี่วาดนีคาดกเนเพราะความอยากทั้งนั้นถ้ามันไม่มีความอยากแล้วมันจะไปคิดทำไมเมื่อมันไม่คิดแล้วมันก็มันก็ไม่ต้องสร้างมโนกรรมจริงๆแล้วเห็นไมตัวหนังสือเขียนสมากบอกวจีกรรม มโนกรรมกายกรรมถ้าไปจัดลําดับนี่พ่อครูไม่เห็นอย่างนั้นมโนกรรมมันมาก่อนเห็นไหมแต่ภาษาเขาเขียนอย่างนั้นแล้วก็เราไปถ้าเป็นเรียบเรียงตามลาดับนั้นเหมือนเขาเขียนว่าศีลสมาธิปัญญาเราต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นทันทีเลยพ่ะครูไม่คิดอย่างนั้นโจรโจรโจรเธอจะมาปฏิบัติเธอต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นนะคุณต้องไปฝึกให้คุณมีศีลก่อนคึกถึงมาทําสมาธิได้บางทีชาตินี้มันไม่มีโอกาสได้ฝึก คนนั่งสมาธินั่งเวี่ยงกิ้งเบี่ยงไปเวีย ง, ย ง, ยงมาพอะมันเวียงแรงเวียงเนี่ยพราะมันเวี่ยงเต็มที่ไปยังไงมุนลูกข่างมันเวียงเบียงเวียงเวียงเบียงแล้วมันจะนิ่งเราไม่ได้ทําให้มันนิ่งนะแรงเวียงนั้นมันจะทําให้มันนิ่งเองมันจะหาจุดสมดุลของมันนะเมื่อมันนิ่งแล้วปุ๊บ แรงเบี่ยงของวัตตาอะไรทาอะไรไม่ได้เนี่ยมันเข้าไปถึงแกนชีวิตมันแล้วเนี่ยมันเป็นอิสระแล้ววินาทีที่เป็นอิสระแล้วเนี่ยมันจะสัมผัสความว่างพมอมันสัมผัสคนว่างปุ๊บมันก็ว่างลูกขามก็หลุดออกมามันว่างมันไม่มีอะไรต้องยึดเกาะมันไม่ต้องมีอะไรต้องกังวลมันก็ววาง เวียงไปเรื่อยๆมันจะจิตเรามันจะหามันจะสร้างพลังหาแกนของมันนะเห็นมันบางคนชํานาญเลยให้มายืนเวียงไม่เมานะเราฝึกไปเรื่อยๆเพราะจิตเดิมเรามันมีสภาวะอยู่แล้วแต่จิตปัจจุบันมันยังกังกังก่างร่างกายนี่ยังยังยังไปไม่ทันนะนี่คือจิตในจิตจิตปัจจุบันเรียนรู้กับจิตในอดีตโดยใช้โปรแกรมทําในธทม อินทรีย์เก่าในอดีตเนี่ยมันถ่ายทอดให้ปัจจุบันนะเดี๋ยวเราก็ชำนาญชำนาญจนสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างระหว่างข้างนอกกับข้างในเราจะไม่เมาเราจะไม่มึนแต่ถ้าเราเหวี่ยงปุ๊บเราคิดปุ๊บปุ๊บมันจะงงเลยเพราะว่าจิตมันส่งออกอีกแล้วเนี่ยส่งออกเพราะว่าตัวส ม, มูทัยเนี่ยมันแสดงอาการนะจิตส่งออกคือส ม, มูทยมันถ้าเราไม่มีตัวส ม, มูทยัยไม่มีตัวอยากแล้วเนี่ยมันจะไปคิดทําไม เราคิดเพราะเรามีอนาคตรเรามีความอยากเราถึงไปคิดดีไซน์คิดวางแผนคิดเปรียบเทียบนะคิดกําหนดไปตัดสินเขานะทั้งหมดเพราะเรามีตัวสมุทัยอยู่นะนี่คือข้อหนึ่งที่ผู้เจ้าถึงบอกว่าให้เราเข้าไปขัดเกลาจิตให้ผงใสนะแตนะ่ทุกวันนี้เราไม่เข้าไปขัดเกลาจิตตั้งใจเราไปฝึกวิชาเจริญสติฝึกวิชาสมาธินะ เพื่อให้มันได้ความสงบผ่อนคลายเรายังแสวงหาความสุขอยู่มันจะพ้นทุกข์ไม่ได้หรอกมันได้สุขชั่วคราวมันพ้นทุกข์ไม่ได้แต่คนยุคนี้เนี่ยเก้าสิบเอร์เซนเขาหวังแค่นั้นและเราขึ้นชื่อว่าเป็นพุทธศาสดาิกระชนเราก็เลยไปสนองตัญหาเขาให้เขาไปติดสุขเยอะ ไม่ใช่หลักพุทธศาสนาแน่นอนเพวกครูไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกแต่พวกครูไม่เชื่อว่าพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นทุกสมุทัยนิโรธมักนี่คืออริยสัจสี่ความจริงที่ยิ่งใหญ่สี่ประการอะไรคือตัวทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์อะไรคือความดับทุกข์อะไรคือหนทางสู่การพ้นทุกข์พุทเจ้าพูดแต่เรื่องทุกข์ ไม่ได้บอกให้เป็นแสวงหาความสุขหรือความผ่อนคลายนะพระองค์ตั้งศาสนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนคำสอนพระองค์เพื่อช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นทุกสัตว์โลกนะไม่ใช่คนอย่างเดียวถ้าเราเข้าใจคำนี้แล้วเดี่ยเราจะไม่เบียดเบียนสัตว์อื่น อริยสัจ ส, สีเนี่ยก็เป็นของเขาเหมือนกันนะเขาถ้าเข้าใจหลักตรงนี้แล้วเนี่ยส่วนข้อธรรมะอื่นๆที่มันแตกแข น, นของออกมาจากอาริยสัจ ส, สีเนี่ยเป็ น, น, น, น, น ร, ร้อยๆพันๆเล่มหรือจะเป็นกี่เล่มก็ช่างเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องวิชาการแหละแกนพุทธศาสนามีอยู่แค่นี้นะอริยสัจ ส, สีพูดแต่เรื่องทุกข์กับความดับทุกข์ ประเหตุแห่งทุกข์ขนทานไปสู่การพ้นทุกข์นะไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเป็นอะไรหรือเพื่อจะหาความสุขแต่ความอยากของมนุษย์บอกเฮ้ย hey, ฉันเอาแค่นี้ก็พอบางคนกลัวไปนิพพานด้วยนะแล้วบอกไหว้ ai, พุทธเจ้าไหว้ ai, เอาไหว้ ai, เอาเรียนสูงสูงแต่สุดท้ายก็สู้ตัวกิเลสตัณหาของตัวเองไม่ได้ ไปสนองตัญหาผู้คนมันมันเลยเลื่อนเรือนไปหมดนะก็ไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดมันถึงเวลากิเลสมันคลองโลกมันคลองหมดละไม่ละเว้นแม้กระทั่งอะไรก็ช่างพุทธบสิษัทสี่ทั้งสี 4, ่บริษัทเนี่ยไม่ใช่ไปแต่งชุดสีอะไรแล้วเป็นเครื่องป้องกันภยัยกิเลมันไม่เข้านะไม่มีอะไรขวางกิเลนได้ อลู่เข็มแค่นคิดเดียวมันก็ผ่านไปได้ฮเราต้องไม่ใช่ต้องมานั่งวิเคราะห์บางทีก็นั่งวิเคราะห์ยึบอยากเป็นนักคิดนากก็คิดดีๆเอาคําสอนผู้เจ้ามาคิดวิเคราะห์ไม่ใช่ไปคิดว่าจะทํายังไงจะไปเอาใจผู้คนจะไปสนองตัญหาเขาเราจะได้อะไรจากเขาทุกนะวันนี้ไม่จะคิดเรื่องนั้นการให้มันไม่บริสุทธิ์ให้โดยมีอามิ t h ให้โดยหวังผลผู้ให้เนี่ยก็ไม่ได้ทานไม่ได้ทำทานเลยนะเป็นเป็นเหมือนบุญกิริยาเป็นกิริยาในการทำบุญหนุนกันเนี่ยมันไม่ใช่บุญกุศลไงเพราะว่าเราให้โดยมีอามิ t มีสิ่งตอบแทนมันไม่ใช่ทานมันเป็นบุญกิริยาไม่ใช่บุญกุศลเนะเรื่องนี้ เนื่องจากสังคมโลกเนี่ยกิเลสมันพัฒนาไปตามเทคโนโลยีมันแรงมากนะฮมันขี่จรวดมาถ้าเราเนี่ยไม่มีอะไรที่แรงกว่ามันเนี่ยเสร็จหมดแต่ไปต้มๆเตี้ยมๆอะไรเนี่ยมันมันไม่ทันกิเลสหรอกแรงเบียงนี่แหละนะจะทำให้เราทวนกระแสดได้แรงเบียง เพราะแรงเบี่ยงตัวนี้เนี่ยเราจะทําให้มันเร็วก็ได้ช้าก็ได้มันเร็วจนมันนิ่งจนมองไม่เห็นเลยล่ะมันเร็วกว่าตัวสันสติมันเร็วกว่ารูปนามถ้าเกิดรูปนามมันเกิดดับภายในหนึ่งวินาทีนะสติเราก็เท่ากับมันเนี่ยนะก็แค่รู้เท่าทันมันเฉยๆนะนะไม่พอนะเราต้องเร็วกว่ามันเราต้องเร็วกว่ามันนะให้รู้เท่าทันเกิดดับรูปสักว่าเกิดปุ๊บ ตราใดที่อายตนะเรายังไม่ไม่ดับเรายังไม่ละสังขารเนี่ยนะอายตนะต้องทํางานเราต้องได้ยินเราต้องเห็นเราต้องกระทบผัดสากนะมันเป็นเรื่องธรรมดากระทบปุ๊บมันก็ดับแต่สติเราไม่ทันเนี่ยรูปเกิดเวทนาเกิดมันลงใจทันทีเลยเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดเราสร้างกรรมไปในหนึ่งวินาทีอย่าง น, น้อยก็สร้างมโนกรรมคิดก่อน อ่าเ้ยทำไมมันดา่าเรามันอะไรอะไรอะบางทีส่มากไม่ทันหรอกมันมันด่ามาแล้วก็ด่าไปคืนเลยนะเร็วมากนะเราต้องมีพลังสติที่เร็วกว่านะทีนี้ไม่ใช่ไปฝึกสติแบบนั้นไปช้าๆแบบนั้นมันช้ากว่าไอ้ลูปน้ำด้วยอ่ะนะมันต้องสติแบบจรวดนะสติแบบจรวดอเนะี่ยในขณะจิตเดียวกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยต้อง ต้องรู้เท่าทันมันเมื่อเราฝึกไปบ่อยๆกระทบปุ๊บมันเป็นเองนะพวกครูเนี่ยพูดออกมาจากประสบการณ์ตัวเองที่ยี่สิบปีที่มันมันสัมผัสอารมณ์นั้นเราไม่ได้ไปพูดเพราะเราไปจําเขาเทศมาเาไปอ่านหนังสือมาเอาความจํามาพูดไม่ใช่ถ้าเราพูดด้วยอย่างนั้นเราก็จะไปหลงบ่วงภาษาเหมือนกันนะัะเพราะครูไม่ไม่ติดบ่วงอะไรไงเอาความรู้สึกจริงที่มันเกิดขึ้นกับจิตเราเนี่ย มาพูดให้ฟังว่ามันเป็นอารมณ์แบบนี้นะนะวันนี้เพิ่งคุยกับแม่ชีโขปีตรงนี้เรื่องพ่อครูอยากลิ้มรสก็ได้อยากรู้ว่ารสชาติอะไรก็ได้ไม่อยากรู้ก็ได้นะไอ้เรื่องนี้บางทีบอกไม่แปลกเรื่องกลิ่นเหมือนกันแล้วอยากจะรู้กลิ่นว่ามันเหม็นก็ได้ไม่เหม็นก็ได้ บางคนเป็นไปได้ยังไงเราหายใจเข้ามันก็เข้ามาแล้วไงไอ้ที่เข้ามามันมีหนึ่งอากาศหายใจพร้อมทั้งกลิ่นมันด้วยอากาศหายใจก็หายเข้าไปแต่ว่ากลิ่นเราจะดมมันก็ได้ไม่ดมมันก็ได้เราจะดมกลิ่นก็ได้ไม่ดมกลิ่นก็ได้มันอยู่ที่เราไงไอ้ตัวรู้สึกนี่คือกลิ่นถ้ามันไม่รับรู้เราก็ไม่ได้กลิ่นบางคนจะเหม็นก็เหม็นไปจะโมูหหาเรื่องใช่ไหมก็ทุกไป ทั้งเหม็นทั้งหอมก็ช่างจิตที่มันมีปัญญาแล้วมันไม่มีความอยากเนี่ยหอมมันก็ไม่เอาเหม็นก็ไม่เอาแล้วมันจะไปดมทำไมล่ะแต่ถ้าเรามีความอยากอ ย, กอยู่ล้าอยากแต่หอมไงเพิ่ลองลองดมดูสิพอเหม็นมาอุ้ยเหม็น่ะทุกข์ละเพราะความอยากเราแต่ถ้ามันไม่อยากแล้วมันจะไปดมทำไมมันก็ไม่ต้องดมไง เห็นไหมถ้ามันไม่มีความอยากแค่ชนาเนี่ะเสียงเขาด่ามาก็เป็นแค่คลื่นของเสียงเท่านั้นเองนะแต่เราอยากรู้ว่ามันพูดดีหรือมันพูดชั่วอนะเราก็ไปฟังมันใช่หัหมพอเราไปฟังมันปุ๊บพอไปเจอเสียงด่าปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันไม่ทันไอเวทนาก็เกิดขึ้นไม่พอใจเกิดขึ้นแหละทั้งหมดก็คือเรามีตัวสมุทยัยคือความอยากถ้าเราดับความอยากได้เท่านั้นเองเนี่ยมันก็จบเห็นไหมผู้เจ้าถึงยิ่งใหญ่มากาพระองค์บอก เหตุแห่งทุกข์ก็คือตัวสมุทยัยไม่ใช่ไปปากกิเลสนะไม่ใช่ไปฆ่ามันนะรู้เท่าทันมันเฉยเมยเมื่อรู้เท่าทันแล้วเนี่ตัณหาไม่เกิดตัวสมุทัยไม่เกิดก็กินข้าวตามกิเลสพูดตามกิเลสเดินแบบกิเลสนเอย่ยวนี้เราหมุนเวียนกินเข้ากรรมนี่หลายคนมีประโยชน์นะอะมีประโยชน์ อ, อย่างน้น้อยเห็นกิเลสตัวเอง นะตอนยังไม่เข้านั่นก็ก็ก็มีความอยากปกติแต่ออกมาเนี่ยกกุย อ, อยากกินนู่นอยากกินนี่อยากเยอะกว่าเก่าเลยมันไปขุดตัวอยากขึ้นมานะะโอ้เห็นไข่เจียวล อ, อยมาละส้ตตมตาแทบมาละแกงเห็ดมาลนะเหรอเราเห็นความอยากของตัวเองชัดขึ้นนะอยากกินไงอยากกินนี่มันสะใจนะมันมันเป็นความอยากทั้ง น, นั้นแหละ ว่าเรานิ่งๆเมื่อเราเข้ากรรมสงบนิ่งแล้วเนี่ยเราจะเห็นอารมณ์ชัดขึ้นเหมือนน้ำมันนิ่งเนี่ยใบไม้ล่วงลงมาปุ๊บเราจะเห็นแลงก็เพิ่มเหมือนฝุ่นละอองลงมาแค่เม็ดหนึ่งเราก็เห็นแล้วนะเหมือนเราวินิจฉัยโลกตัวเองนะเฮ้ยเรามีอารมณ์ตรงนี้นะ